จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรทสุบาสุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ี่สพฤศจิกายนพุทธศักราช5 5 3เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัต ให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของทางศาสนาเพราะภารกิจของทางศาสนานี้มีความสำคัญมีความจำเป็นยิ่งกว่าความสำคัญของภารกิจทางโลกเนื่องจากสิ่งต่างๆทั้งหลายทางโลกนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเท่ากับจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะจิตใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่สูญไม่ดับไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ต้องมีการสูญมีการดับไปในที่สุดต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไร ดูแลให้ดีอย่างไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆทั้งหลายก็ต้องจากเราไปแต่ใจของเรานี้จะไม่จากเราไปใจของเรานี้อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กนำบันและจะอยู่ต่อไปจนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะนี่คือธรรมชาติของใจใจของเราจะดีหรือไม่ดี ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ให้ความสำคัญหรือไม่ถ้าเราให้ความสำคัญแล้วคอยดูแลใจของเราใจของเราก็จะดีมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุกดถ้าเราไม่ดูแลใจของเราเราไปดูแลสิ่งอื่นๆใจของเราก็จะไม่ดีใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ต่างๆ ขรามมาุ่มเล้าภายในจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พวกเราอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ให้มีวันหยุดสักวันหนึ่งหยุดการดูแลเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นสาระที่สําคัญที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องสูญที่จะต้องหมดจากเราไปในที่สุดให้หันมาดูแล สิ่งที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอดนั่นก็คือใจนะการที่เรามาบำเพ็ญทำความดีนั้นก็เพื่อสร้างความสุขให้กับใจการที่เราไม่ทำบาปก็เพื่อดับความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเห ย, ยียบย่ำจิตใจไม่ให้จิตใจของเราเสื่อมตกตำ่ำนะการที่เรามากำจัด กิเลสตันหาคือความโลภความโกรธความหลงก็เพื่อที่จะตัดภพดักชาติและสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ใจคืออริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอระหรันเกิดจากการที่เราได้ชำระจิตใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ตามลำดับ <Yeah. S 1> เมื่อจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่จิตใจของเราก็จะกลายเป็นพาาาระอรหันต์เป็นผู้ที่ได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติ <Yeah. S 1> เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไป <Yeah. S 1> ถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะตกตำ่ำใจของเราก็จะเสือ่อมเข้าไปสู่ในอบาย ซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือ เ, เดราัจานเปรตปศุรกายและนาบกนี่เป็นที่ไปของใจของพวกเราถ้าเราทำบาปทางกรรมคือถ้าเราไม่รักษาศีลห้าอย่างที่เราได้มาสมาทานกันในวันนี้เราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเราไปสู่ที่ต่า เราก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้และไม่ใช่แคเฉพาะเพียงวันนี้วันเดียวเราต้องรักษาให้ได้ทุกวันถึงจะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าเรารักษาเพียงวันเดียวอีกหกวันนี้เราไปทำบาป ท, ทำกรรมโอกาสที่จะไปสู่อบายก็มีหต่อหนึ่ง มีหกโอกาสที่จะไปมีโอกาสเดียวที่จะไม่ไปเพราะเรารักษาศีลได้เพียงวันเดียวถ้าเรารักษาได้มากขึ้นไปโอกาสที่จะไปก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปได้เลยถ้าเรารักษาศีลได้บ่อยสุดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกเวลา นี่คือสิ่งที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปตกต่ำส่วนถ้าเราทำความดีเช่นทำบุญให้ทานอย่างวันนี้ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิใจของเราก็จะไปสูงได้ไปเป็นเทพได้ไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมท่านวิปัสสนา จเจริญปัญญาเพื่อที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจใจของเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆคือขั้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่เราจะได้ จากการที่เราคอยดูแลจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมออย่างที่เรามาทำกันในวันนี้นี่แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันแต่ถ้าเราไปให้ความสาคัญต่อสิ่งต่างๆภายนอก เช่นลาบยศเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะได้ความสุขชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้มาเราก็จะมีความดีอกดีใจแต่ไม่นานมันก็จะหายไปเพราะมันจะเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเองพอเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเอง ก็จะเกิดความกังวลกวายกระสับกระส่ายต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ต้องแสวงหามาเพิ่มความสุขที่ได้จากการได้ลาบยศชละสรสุขมาก็หายไปเพราะเกิดความอยากที่จะได้ขึ้นมานและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพออยากได้ แล้วไปหามาได้ก็ดีอกดีใจไม่นานก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนสิ่งที่เราได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ให้กับเราเพราะเราต้องคอยหวงคอยห่วงเพราะเรากลัวว่าจะจากเราไปจะสูญไปนี่ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แล้วเวลาที่เขาไปจริงๆเกิดเขาจากเราไปจริงๆเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่เป็นสาเหตุเพราะว่าเราไปดูแลสิ่งที่เราไม่ควรไปดูแลนั่นเองแทนที่เราจะมาดูแลใจของเราถ้าเราดูแลใจของเราแล้ว ใจของเราก็จะไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงกับสิ่งต่างๆที่เรามีเพราะว่าใจของเรารู้ว่าถ้าไปห่วงไปห่วงก็จะไปสร้างความทุกข์ให้แก่ใจและก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสนอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆดีกับเราไปนานๆไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มไม่ดีจะเริ่มมีปัญหาจะต้องเสียจะต้องไปซ่อมไปรักษา แล้วบางครั้งก็ต้องจากเราไปก่อนเวลาที่เราอยากจะให้เขาจากไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราไปไปดูแลรักษาไปแสวงหากันคือลาบยศสารเสริอสร็ลาบก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยศก็คือตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในทางการทำงานก็ดีหรือตำแหน่งที่ได้รับจากการกระทำผลงานที่ดีแล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงเป็นคุณนายให้เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้าทำงานก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นข้าราชการก็ได้เลื่อนขั้น เป็นในพลในพันในร้อยถ้าเป็นนักการเมืองก็ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีเหล่านี้เรียกว่าเป็นยศส่วนสรรเสริญก็คือการยกย่องจากผู้อื่นได้คาชื่นชมได้ทําสรรเสริญว่าเราดีเราเก่งอย่างนี้เป็นต้นส่วนความสุขทางตาหูจมูกลื่นกาย ก็คือเวลาที่เราได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความสุดขึ้นมาเช่นเวลาเราไปดูหนังไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเราก็เกิดความสุขจากการที่ได้สัมผัสสิ่งเหล่า น, นี้แต่ธรรมชาติของสิ่งเหล่า น, นี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร มันให้ความสุขกับเราเดี๋ยวเดียวเหมือนกับน้ําตาลที่เคลือบยาขมพอน้ําตาลมันละลายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความขมขืนความสุขที่เราได้รับจากภาพยศเสลเสริญและความสุขทางตาหูจนูกร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะมีความสุขกันประเดี๋ยวประดาวหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะจางหายไป เหมือนควันไฟปล่อยให้เราอยู่อย่างว้าเวเป่าเปลี่ยวทั้งๆ ท, ที่เรามีลาบยกสารสรนสุขอยู่เต็มบ้านเต็มช่องแต่เรายังรู้สึกว่ามันไม่พอเราอยากจะได้ใหม่ๆของใหม่ๆขึ้นมาอีกเป็นนายร้อยแล้วก็ยังไม่พอใจต้องเป็นนายพันถึงจะพอใจพอได้เป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพล ้เป็นสสก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกเป็นนายกก็อยากจะเป็นหลายๆสมัยนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในโลกนี้เขามีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะต้องทุกขกับสิ่งเหล่านี้ เวลาจเจริญเราก็จะดี อ, อกดีใจพอเวลาเสื่อมเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจทุกข์ทรมานใจบางครั้งจนกระจนไม่คิดอยากจะอยู่ต่อไปความทุกข์นี้มันทุกข์มากและความสุขที่ได้นี้มันจะไม่มีน้ำหนักที่จะมาตั้งความทุกข์นี้ได้เลยเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆนี้โอ้โหเราดี อ, อกดีใจเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ แต่พอเราเสียงันไปนี่มันเหมือนตกนรกแล้วความสุขที่เคยได้จากสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ที่เป็นเหมือนนรกที่อยู่ในใจของเราได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาของพระองค์พระองค์ก็ทรงมีสิ่งเหล่านี้มาก่อนเหมือนพวกเราและมีมากกว่าพวกเราหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกัน ท่านเป็นถึงราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์มีราบภพสารเสริญสุดในขั้นระดับแนวหน้าระดับขั้นสูงสุดแต่ท่านก็ยังเห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในความสุขเหล่านี้เพราะท่านเห็นว่ามันไม่จีรังถาวรมันไม่แน่นอนและไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปไม่มีใครที่จะไปะยับยั้งหยุดเขาได้เพราะพุทธเจ้าจึงไม่ไม่อยากจะได้สิ่งเหล่านี้ทรงสละสิ่งเหล่านี้ออกทั้งหมดเพื่อที่จะมาดูแลรักษาใจเพื่อที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ความสุขภายในใจนี้สามารถต่อต้านหรือสามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆนั้นมีความเบาบางหรือหมดไปได้นี่คืออำนาจของความสุขภายในใจ พวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะได้พบกับความสุขแล้วอันนี้กะมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่เราต้องหันเราหันหน้าของเรากลับเข้ามาที่ใจของเรามาดูแลรักษาใจของเรามาทำงานของใจมาสร้างความสุขให้กับใจโดยอาศัยประสบการของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงบำเพ็ญมาจนได้เห็นผลอย่างชัดเจนแล้วพระองค์ได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐแล้วทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทั้งหลายที่พวกเรายังต้องประสบกันอยู่พระองค์จึงทรงมีความสงสารเห็นพวกเรา ยังตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ด้วยอํานาจของความหลงที่พาให้มีความโลภมีความอยากต่างๆแล้วก็มีความโกรธถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาชี้ทางเราจะไม่รู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเราที่ดีกว่าสิ่งต่างๆท่านหลายที่เรากำลังสวยหากันอยู่ นี่เป็นบุญของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีคำสอนมีพระพุทธศาสนาคอยบอกทางให้กับเราพระพุทธศาสนานี่ก็เปรียบเหมือนกับแสงของพระอาทิตินี่แหละเป็นเหมือนพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่พวกเราในตอนกลางวันทําให้พวกเราสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยได้อย่างสะดวก ถ้าเราไม่มีแสงอาทิตย์เช่นตอนกลางคืนเราก็จะไปไหนมาไหนลำบากเราก็ต้องหาแสงอย่างอื่นขึ้นมาถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาให้แสงสว่างกับเราเราก็ไม่รู้ว่าความสุข ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะถูกความหลงของเรานั้นคือความเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นในสิ่งที่เป็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเช่นลาบยะลบสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นความทุกข์ทกวันนี้ที่พวกเราทุกกันอยู่ก็ทุกกับเรื่องอะไรก็ทุกกับเรื่องเงินทองใช่ไหมเงินทองมักจะไม่ค่อยพอใช้ หรือถ้ามีก็ทุกข์กับความกลัวว่ามันจะหายไปมันจะหมดไปเรื่องราบเรื่องยศก็เช่นเดียวกันเรามีตำแหน่งอะไรเราก็ยมมักจะไม่พอใจกับตำแหน่งที่เรามีอยู่เราอยากจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปกว่านี้เรามีคนสรรเสริญมากน้อยเพียงไรเราก็ยังอยากจะให้เขาสลสรรเสริญเราต่อไป ไม่อยากให้เขามาตำหนิมาว่ามาด่าเาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเรามีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่ได้ให้ความเอ็นความพอกับเราวันไหนที่เราไม่ได้ไปเติมความสุขชนิดนี้เราก็จะรู้สึกเศร้าหมองหงุดหงิดดําคานใจเบื่อหน่ายต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย มาเพิ่มอเรื่อยๆ เ, เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอถ้าเป็นตุ่มน้ำก็เหมือนตุ่มที่มันรั่วเติมน้ำเข้าไปให้มากเพียงไรให้มันล้นแต่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ซึมรั่วออกมาต้องไปเติมใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือความสุขทางโลกซึ่งความจริงนักป่าทั้งหลาย นั้นเห็นว่าเป็นความทุกข์เพียงแต่เอาความสุขมาเคลือบความทุกข์นี้เหมือนกับยาขมที่เอาน้ำตาลมาเคลือบหลอกให้คนกินเท่านั้นเองแต่ถ้าคนฉลาดนี้จะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปยึดติดถ้าไปยินดีถ้าไปอยากได้นักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าจึง คลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือกลับใจแทนที่จะไปอยางได้ก็ไม่อยากได้มีสิ่งใดที่ไม่จาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก็สละไปเช่นเป็นราชคูมานก็สละราชคูมารไปเป็นมีทรัพสมบัติมรดกตกทอดจากบิดาก็สละไปสละราชสมบัติไปมีประสาทสามฤ ด, ดูก็สละไป มีภรรยามีบุตรก็สละไปเพราะทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความทุกข์แล้วก็ทรงไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนผาเนจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถ้ำบ้างแต่จิตใจของพระองค์นั้นกลับมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น เพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงตัดพระทัยออกจากสิ่งต่างๆได้จะมีเหลืออยู่ก็เป็นความอยากที่ลึกๆเรืม ก, ก, ก, กิเลสหรือความหลงที่ยังไม่ได้กำจัดให้หมดไปต้องใช้การปฏิบัติคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญา เพราะถึงแม้จะตัดสิ่งต่างๆภายนอกให้หมดไปได้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถตัดความยึดติดกับร่างกายของพระโอเคงได้ยังกลัวตายยังกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ยังกลัวความแก่อยู่เพระพระพุทธเจ้าจึงต้องพิจารณาแยกแยะด้วยการนั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาจนปรากฏ เห็นความจริงว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันจิตใจนี้ไม่ตายร่างกายนี้ตายร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ารู้จักแยกกายออกจากใจได้เวลากายเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อน เช่นเวลาทำใจให้สงบให้นิ่งตอนนั้นใจก็จะปล่อยวางร่างกายชั่วคราวตอนนั้นร่างกายจะเจ็บไา้ได้ป่วยจะอย่างไรใจก็จะไม่รับรู้ mm hmm. เช่นเวลาเรามีความเจ็บปวดตรงไหนถ้าเราเข้าสมาธิได้จิตสงบได้จิตก็จะแยกออกจากร่างกายเหมือนกับหมอฉีดยาสลบหรือฉีดยาชาไว้ที่ร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บเราก็ไม่รับรู้ความเจ็บของร่างกายแต่ยาชานี้มันทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่นั้นไม่เหมือนกับการแยกด้วยสมาธิแยกด้วยปัญญาสมาธินี้ก็จะแยกกายออกจากใจได้ชั่วคราวเวลา จ, จิตเข้าสู่สมาธิตันนั้นร่างกายกับใจก็จะแยกกันอยู่คนละส่วน แต่พอออกจากสมาธิใจกับร่างกายก็จะรวมกันเป็นตัวเดียวกันตอนนั้นเวลาเก็บร่างกายเจ็บใจก็จะรับรู้ด้วยแต่ใจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ได้ถ้าใช้ปัญญาถ้าพิจารณาว่าความทุกข์ความเจ็บของร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหนือบาปฝ่าแรงที่เราจะที่ใจจะรับรู้ได้ ใจเป็นเหมือนกระจกส่วนสิ่งที่ปรากฏบนกระจกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถทําลายกระจกได้เช่นจะมีคนฆ่ากันเที่ทิ่มแทงกันต่อหน้ากระจกกระจกก็รับรู้ว่ามีการทิ่มแทงกันแต่กระจกไม่ได้เป็นอะไรไปกับคนที่เขาทิ่มแทงกันฉันใดใจก็เป็นผู้รู้เป็นเหมือนกระจกรับรู้เรื่องของร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าใจเพียงแต่รับรู้เฉยๆไม่ไปมีความอยากกับร่างกายใจก็จะไม่เดือดร้อนอย่งไรร่างกายจะเป็นอย่างไรเพียงแต่รับรู้ไว้เฉยๆท่าน น, นี้ก็ว่าให้สัตแต่ว่ารู้อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าจะอย่าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาซึ่งเป็นความเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดของร่างกายหลายเท่าด้วยกันหรือเวลาร่างกายจะตายก็อย่าไปกลัวตายให้รู้เฉยๆว่ามันต้องตายแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน ถ้าเรารู้เฉยๆใจของเราก็จะไม่กลัวก็จะไม่ทุกข์จะไม่หวั่นไหวนี่คือการแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาทรงใช้การนั่งสมาธิและทรงใช้ปัญญาให้ให้ใจรู้ว่ากายไม่ใช่ใจและให้รู้ว่ากายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นก็เป็นไปแต่จะไม่มาสร้าง ปัญหาให้กับใจพ่อใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายนั่นเองเวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่เวลาร่างกายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บเวลาร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายเป็นคนเราส่วนกันเหมือนเราก็อีกคนหนึ่งเรานั่งอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งเขาเจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับเขาเขาตายเราก็ไม่ได้ไปตายไปกับเขา แต่ใจของเรานี้ยังไม่มีกำลังพอบางทีเราไปยึดไปติดกับเขาไปมีความผูกพันกับเขาพอเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เป็นไปกับเขาด้วยคือเราไม่สบายใจเราทุกข์ใจไปกับเขาด้วยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ไปกับเขาเวลาเขาตายเราก็เสียใจไปกับเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเรา ไม่มีกำลังที่จะแยกใจของเราให้ออกจากสิ่งต่างๆได้นั่นเองเราต้องพยายามฝึกแยกใจของเราออกจากสิ่งต่างๆด้วยการละด้วยการปล่อยวางด้วยการตัดอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆสิ่งไหนที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาอย่าไปเก็บเอาไว้ยกให้คนอื่นไปให้คนอื่นที่เขาขาดแคลน เขาจะได้รับประโยชน์สิ่งไหนที่เรายังจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่เราก็เก็บเอาไว้ได้แต่เราต้องพร้อมที่จะจากมันไปเพราะเราต้องรู้ว่าร่างกายของเรานี้มันมีวันที่จะต้องยุติเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือไม่ะนนั้นสิ่งต่างๆก็จะต้องจากเราไปก่อน ถ้าเราทำใจสอนใจให้ทำอย่างนี้ได้ต่อไปใจของเรานี้จะไม่เดือดร้อนกับการมากับการไปของสิ่งต่างๆจะไม่เดือดร้อนกับการแจ่การเจ็บการตายของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้แยกใจของท่านออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านรู้ว่า ใจดวงเดียวนี้แหละที่เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดและเราต้องสร้างพลังให้แก่ใจของเราให้ใจของเรานี้มีความหนักแน่นเหมือนกับก้อนหินที่จะไม่มีอะไรจะมาทำให้สั่นคลอนได้สิ่งที่จะทำให้ใจของเรานี้มีความหนักแน่นมั่นคงไม่สั่นคลอนหวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็คือ ทานการให้ทานอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้ศีลคือการรักษาศีลศีลหศีล8ปดศีลสิบศีล227แล้วก็การภาวนาคือการนั่งสมาธิและเจริญปัญญาให้ใจของเรารู้จักแยกแยะใจให้ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าทำได้ครบทั้งสามส่วนนี้แล้วใจของเราก็จะมีพลังมีความแข็งแกร่งมีความหนักแน่นที่จะไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทำให้ใจของเราหวั่นไหวได้เลยจะไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจของเราทุกได้เลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวโกทั้งหลายได้ทำมาแล้วท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด ของชีวิตเราของใจเราของตัวเราท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่วิเศษอย่างที่ท่านได้พบมาพวกเราจึงควรมีความเชื่อมีคัามีศรัทธาถ้าเราไม่อยากจะอยู่กับสิ่งกับความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังอยู่การอยู่ในทุกวันนี้ เราต้องพลิกชีวิตของเราใหม่เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่เราต้องเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นฉบับของเราเป็นตัวอย่างของเราแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วเราจะได้พบกับความวิเศษเลิศโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้พบกันตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความเพียรของเรามีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวไม่พอเชื่อแล้วแต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเชื่อแล้วก็ต้องทำทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดราบยศชลสนุขเราก็ต้องตัดท่านรักษาศีลเราก็ต้องรักษาศีลท่านปฏิบัติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าเราทาแล้วรับรองได้ว่า เราจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนอย่างสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรคนเราทั้งหมดนี้จะหลุดพ้นได้ต้องมีความเพียรเพียรปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงขอฝากเรื่องของการปล่อยวางภารกิจต่างๆทางโลกเพื่อมาทำภารกิจทาง ศาสนาทางด้านจิตใจเพื่อที่เราจะได้ยกระดับพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพษษุกทีละตอนรัย